เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สองวันที่ย1เอ็ดอยากได้มรรคผลการที่ศัตรูเข้ามาพูดขอญาตดีน่าจะเป็นนิมิตหมายว่าช่วงชีวิตรันทดน่าจะผ่านไปแล้วฉันมีกำลังใจกลับมาปฏิบัติธรรมใหม่แต่สติที่พังพินาศของฉันทำให้การหวนกลับมาครั้งนี้ทุลักทุเลเอาการ ความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองความคิดดูถูกตัวเองที่เคยมีมาก่อนปีใหม่ย้อนกลับมาเล่นงานครบทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความโลภอยากได้มรรคผลไม่รู้เป็นยังไงคราวเนีย้ยิ่งอยากได้กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดเลยทีเดียวอาจเป็นเพราะตระหนักแล้วกระมว่าจิตใจเป็นของมีวันขึ้นวันลงและตราบใด ยังไม่ถึงฟังตราบนั้นยังอาจจมน้ำป๋อมแปบมกับทั้งมีสิทธิตีตัวไปนรกได้ทุกเมื่อขอให้คิดพลาดเถอะขอให้ได้ช่องอยากปรา玛พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เถอะเหตุผลที่อยากได้มรรคผลในเบื้องแรกนั้นแน่นอนว่าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือความหลุดพ้นแห่งใจแต่บัดนี้เริ่มมีรายละเอียดเพิ่มเติม คือตระหนักว่าตัวเองยังตกต่ำได้ก็ไม่อยากกลับตกต่ำลงอีกบุคคลในพุทธศาสนาที่จะไม่กลับตกต่ำลงอีกเรียกว่าอริยบุคคลที่รู้จักกันดีที่สุดได้แก่พระอระหันต์ซึ่งท่านจะไม่แม้แต่เสวยทุกทางใจต่อให้ทุกทางกายกําลังกําเริบกล้าแข็งเช่นถูกทุบศีรษะด้วยค้อนอยู่ก็ตามท่านยังมีสติพอจะให้อภัย ใครประทุษร้ายท่านปานนั้นก็จะไม่มีจิตคิดโกรธเคืองเลยใจบริสุทธิ์เห็นปานนั้นอย่าต้องกังวลว่าจะต้องคิดร้ายจองเวรกับใครก่อนอย่าต้องห่วงว่าจะพลาดพลังปรามาตพระศาสดาและพระธรรมเจ้าอันเป็นเหตุให้ต้องรับผลร้ายในภายหลังพระอระหันต์ท่านชํำระความไม่รู้ ผ่านไปถึงซึ่งความรู้แจ้งหมดจดนี่มีใช่หมายความว่าท่านรู้ทุกอย่างชื่อถนนชื่อคนเหตุการณ์อดีตและอนาคตเรื่องนอกตัวเหล่านี้ท่านอาจจะยังรู้เท่าคนธรรมดาแต่ท่านรู้ยิ่งสิ่งเดียวคือสัจจะความจริงอันน่าสนใจขั้นสูงสุดคือรู้อย่างถาวรไม่กลับไม่เปลี่ยน ว่ากายใจนี้ตลอดจนสิ่งอื่นทั่วสากลลโลกเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเป็นตัวเป็นตนแม้เศษเนื้อเท่ากระแบกมือหรือกระแสสุกล้นฟ้าหรือกระทั่งการมีจิตไว้รู้เห็นอะไรไหนๆกายเวทนาจิตธรรมหาใช่สิ่งที่เราอาจหวังพึ่งพิงถาวรหาใช่สิ่งที่เราคาดหวัง ให้อยู่ยั้งยืนยงพระอาหารหันต์ท่านมีประสบการณ์รับพัษธะในโลกได้เท่าคนธรรมดาหรือดีกว่าคนธรรมดาแต่จิตอันรู้แจ้งแทงขาดแล้วของท่านจะไม่ทำให้ท่านหลงเข้าใจอีกแม้แต่วินาทีเดียวว่ากายเวทนาจิตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดเป็นอนัตตาเป็นตัวตนตราบจนชั่วอายุขของท่าน อริยบุคคลผู้ประเสริฐรองลงมาจากพระอระหันต์ได้แก่พระอนาคามีอริยบุคคลชั้นนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยได้ยินหรือถึงแม้รู้จักและได้ยินก็ไม่เข้าใจว่าแตกต่างจากพระอระหันต์อย่างไรความแตกต่างระหว่างสองชั้นนี้พระพุทธองค์มัตรัสไว้คือพระอนาคามียังเหลืออุปาทานยังมีมานะว่านี่ตัวเรา เราเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งคื อ, อยังชำระผ่านความไม่รู้ไปได้ไม่ขาดไม่เสด็จแห้งสิ้นอย่างพระอระหันต์และความที่ยังไม่รู้แจ้งจึงยังสงวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เป็นตัวเป็นตนโดยเฉพาะจิตยังเป็นผู้กลัวจะไม่มีจิตได้อยู่แต่ก็นับว่าเหลือความห่วงหวงน้อยแล้ว เมื่อเทียบกับอริยบุคคลชั้นรองลงไปอริยบุคคลผู้ประเส ร, ริฐรองลงมาจากพระอนาคามีได้แก่พระสกทาคามีอริยบุคคลชั้นนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยได้ยินหรือถึงแม้รู้จักและได้ยินก็ไม่เข้าใจว่าแตกต่างจากพระอนาคามีอย่างไรอีกทั้งพระพุทธเจ้า ท่านตรัสรายละเอียดเกี่ยวกับพระสกทาคามีไว้น้อยพระสกทาคามียังมีราคะโทสะโมหะแต่ก็เบาบางลงกว่าปุตุชนมากแล้วเนื่องจากจิตไม่เสพอารมณ์ยาบเต็มกำลังแม้มีราคะระดับให้กำเนิดบุท ธ, ธิดาได้ก็ไม่ติดใจแม้มีโทสะระดับร้อนจิตร้อนกายได้ก็วูบเดียวเหมือนไฟไม่ฟาง และแม้มีโมหะสำคัญมั่นหมายถือเขาถือเราได้ก็ไม่ใช่ขนาดหลงตัวหลงตนแบบหน้ามืดตามัวพูดให้ง่ายคือราคะโทสะโมหะเบาบางและมีแนวโน้มฝักใยอยากเลื่อนระดับให้ยิ่งยิ่งขึ้นถึงที่สุดมากกว่าอย่างอื่นอริยะบุคคลผู้ประเสริฐรองลงมาจากพระสกทาคามีได้แก่พระโสดาบัน อริยบุคคลชั้นนี้คนไทยส่วนใหญ่ได้ยินบ่อยแต่ไม่เข้าใจว่าคือคนแบบไหนแตกต่างจากพระอริยะชั้นสูงกว่ากันอย่างไรพระโสดาบันยังมีราคะโทสะโมหะครบแต่ก็เบาบางลงกว่าปุถุชนคือใจไม่ถึงพอจะประพฤติผิดศีลธรรมเพื่อสนองราคะโทสะโมหะธรรมดามักมีจิตที่ขาวใกล้ใส หรือใสใกล้แก้วด้วยความใส่ใจอนิจจังแห่งกายเวทนาจิตธรรมเนืองๆความที่จิตตกได้มากที่สุดแค่หมดแต่ไม่มีทางมืดขนาดคู่ควรกับนรกกระพุ่มจึงทําให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปิดอบายได้อย่างเด็ดขาดอีกทั้งเป็นผู้เห็นนิพพานหรือผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงอยู่ในฐานะผู้เข้ากระแส เป็นผู้เที่ยงที่จะได้เป็นอรหันต์องค์หนึ่งในการข้างหน้ามรรคผลมีสีระดับบรร ล, ลุมรรคผลครั้งแรกเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเป็นพระสกทาคามีครั้งที่สามเป็นพระอนาคามีและครั้งสุดท้ายเป็นพระอรหันต์สําหรับความเป็นอรหันต์มรรคไม่เป็นที่คาดหวัง เพราะยังไกลเกินเอื้อมอยู่สำหรับผู้เริ่มเดินทางจริงจังแค่สองเดือนอย่างฉันแต่พระโสดาบาันนี่สิอย่างน้อยถ้าได้เป็นก็เรียกว่าประเสริฐกว่าราชามาหาจากักรพรรดิผู้มีอานาจครองโลกซสอีกเพราะพระราชายังถูกปล้นสมบัติได้ถูกแย่งอำนาจได้หรือกระทั่งถูกในประเทศเข้าป่าเข้าเถื่อนได้แต่บุคคลเมื่อได้เป็นโสดาบันแล้ว จะไม่มีใครสามารถปล้นสมบัติภายในไม่มีใครทำให้เสื่อมจากภาวะและไม่มีใครสาบแช่งหรือใช้มนต์สะกดใดๆส่งไปอยู่ในอบายได้อีกเลยแม้เคยมีกรรมชั่วต้องชดใช้อย่างมากก็แค่รับผลบนโลกมนุษย์อันจัดเป็นสุขติภูมิแห่งหนึ่งเท่านั้น การบรรลุมรรคผลคือการไปถึงสภาวะจิตชนิดหนึ่งที่ทิ้งความยึดมั่นว่ากายใจเป็นอัตตาเสียได้ทะลุกออกไปเห็นธรรมชาติอันเป็นต่างหากจากกายใจคือนิพพานเมื่อเห็นนิพพานแล้วย่อมหายสงสัยว่าพระพุทธเจ้าค้นพบอะไรทางที่พระพุทธองค์ปูวไว้คือสติปัตฐานสี่ จะนำไปพบอะไรความเพียรปฏิบัติสติปัฏฐานสก็คือการพัฒนาจิตจากสภาพสามัญชนให้เข้าถึงซึ่งสภาพอันเป็นมรรคเป็นผลนั่นเองบอกตัวเองว่าอยากได้มรรคผลก่อนอื่นต้องสงบจากความอยากเป็นอันดับแรกหลงนั่งทำสมาธิเห็นลมหายใจของฉันกลั้วไปด้วยความเร่งร้อนอยากสงบ นี่คือการย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่อีกครั้งคนที่จะนับหนึ่งใหม่ต้องทำอย่างไรเนาะเป็นนานกว่าจะนึกได้ก็ยอมรับว่าสภาพเด่นที่สุดในปัจจุบันคือความเร่งร้อนน่ะสิการยอมรับตามจริงเป็นอาการง่ายๆของจิตที่มักถูกลืมแต่เมื่อไหร่นึกออกก็จะใช้การได้ทันที เป็นของทันสมัยอยู่เสมอชั่วกับชั่วกัน